สิขาบทที่สามเรื่องพระชัพพคี6ก0สีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสวัสีครั้งนั้นพวกพิสุทธชพคีแสดงธรรมแก่คนอยู่ในยานพระบัญญัติสามพึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้อยู่ในยานเรื่องพระชพคีจบ สิกขาบทวิพังที่ชื่อว่ายานได้แก่คนหามรถเกวียนเตียงหามวอเปหามภิกษุไม่พึงแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้อยู่ในยานภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้อยู่ในยานต้องอบัตทุกกฎอนาปฏิวานภิกษุต่อบไปนี้ไม่ต้องอบัตคือหนึ่งภิกษุไม่จงใจสองภิกษุไม่มีสติสมภิกษุไม่รู้สึกตัว 4. ภิกษุผู้เป็นไข้ 5. ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 6. ภิกษุวิกลจริต 7. ภิกษุต้นบัญญัตสิขาบทที่3จบ